เราจะนั่งสมาธิกันเดี๋ยวได้ไหมฝนเรตกขัวเราะไม่ค่อยไดยินนั่งสมาธิสักแป๊บนึงรอให้ฝนหยุดแล้วก็ค่อยคุยกันนั่หลับตาดูลมหายใจเข้าออไม่ต้องคิดอะไรถ้าจะคิดก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวฝเหยุดแล้วก็ ทําใจให้สงบบ้างใจเราไม่เคยสงบเลยไม่เคยพบความสุขที่จาจะพานสงบเป็นความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขทั้งปวงมีกว่าความสุขทั้งปวงอ น, นี้มันถูกมั้งครับกราลองนั่งกันทักปั๊บดูเสือผลหยุดค่อยุกันดูลมหายหลักตาดูลมหายใจเข้าออก จะว่าพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธันพุทเจ้าโธหรือพุทโธเท่าพุโทโธไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับลมขอให้ลมหายใจตามสบายโอเคแต่ดูลมเฉยๆตอนนี้ฝนหยุดแล้วนี่คือวิธี ทำใจสร้างความสุขให้กับใจทาใจให้สงบให้นิ่งดัแบบความทุกข์ต่างๆหยุดความทุกข์ต่างๆวิธีที่ง่ายที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคือการทำใจให้สงบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ไม่ต้องมีข้าวของมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่นั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดอะไรใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขพระพุทธเจ้าสอนวิธี สร้างความสุขสี่ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองต่างๆเรียกว่าทานเราไม่ควรที่จะมีอะไรมากเกินไปไม่ควรที่จะพึ่งอะไรมากเกินไปสิ่งที่เราควรจะพึ่งก็เพียงแต่ ปัจจัยสี่ของเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้นสิ่งยังอื่นถ้าเราเพิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการจากกันไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้หามาให้ความสุขกับเราเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป บางทียังไม่ทันจากไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็อาจจะจากเราไปก่อนก็ได้งั้นให้เรามาเสียสละสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรไปใช้เป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเช่นลาบยบสารเสิร์นรูปเสียงกลิ่นรสให้เราเสียสละไป ให้หัดมาเสียเพราะว่าต่อไปเราจะต้องเสียทุกอย่างไปเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจากเราไปถ้าเราเสียเป็นเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายินดีที่จะเสีย<ม>เพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราเรามาหาความสุขจาก การทำใจให้สงบนั้นเราหยุดหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆยกเว้นปัจจัยสี่ที่เราจำเป็นจะต้องมีไว้เลี้ยงดูร่างกายหอกนั้นแล้วไม่ต้องไปมีมันมีแล้วจะทุกข์มีก็ทุกข์ก็ต้องดูแลรักษาเวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะยังต้องใช้มันอยู่ แต่ถ้าเลิกใช้มันได้ไม่ใช้มันมันก็จะไม่ทุกขแล้วก็ไม่ต้องหาใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเช่นเงินทองต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาแล้วก็เอาไปใช้ซื้อความสุขต่างๆแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องไปหาใหม่เงินถ้าจะหาเงินทองก็หามาเพื่อปัจจัยสี่เพราะจาเป็นต้องมีร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ มีอาหารเคลื่อนลุม่มห่มยารักษาลูกที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอแล้วก็อย่าไปมีมากเอาเวลามาทำใจให้สงบดีกว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆอย่าอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเขาไม่แน่นอนเขาอาจจะจากเราไปหรือเราอาจจะจากเขาไปได้เมื่อไหร่ มันก็ไม่มีใครรู้แต่เวลาจากกานแล้จะต้องมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมางั้นอย่าไปพึ่งอะไ ร, อ ย, ไ ร, ยะะรอย่าไปพึ่งลาบยศสารเสยอย่าไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้มาพึ่งสมาธิแลาก็ให้หยุดการกระทำต่างๆที่ทำให้เกิดโทษกับเราเช่นการทำบาปต่างๆ ทำแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์หยุดฆ่าสัดวรักทัพยประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสกสรายาเม า, าการกระทำแบบนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าไม่ทำแล้วจะ ม, มีความสุขมากกว่าทําแล้วก็มานั่งสมาธิกันแล้วก็หยุดกิจกรรมที่ จะเอาเวลาของการนั่งสมาธิไปคือการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆกินอาหารตอนค่ำอะไรอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องทำไม่ควรทำเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิอย่างที่เมื่อกี้เรานั่งกัน จะมีความสุขมากกว่าเรว่าศีลต้องมีศีลห้าศีลแปดแล้วเราก็มามีเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธินั่งสมาธิแบบเมื่อกี้นี้นั่งบ่อยๆนั่งเรื่อยๆถ้าเรามีเวลาว่างก็นั่งเลยพยายามทําบ่อยๆแล้วจะชํานาญจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร แล้วขั้นที่สี่ก็คือให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาสอนใจให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลงนี้มันกั็นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเก็บเอาไว้กับเราไปได้ตลอดทักวันหนึ่งก็ต้องมีความจากกันเลาอยากได้อะไรถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากได้ อากจะหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราละไม่ชา้าก็เร็วมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่านี่คือวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติทำกันแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ เราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่ทุกข์กับการสูญเสียแม้แต่ร่างกายร่างกายนี้เราก็ต้องเสียมันวันใดวันหนึ่งถ้าเรายินดีจะเสียแล้วเวลาจะตายนี้จะไม่ทุกข์ตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็ทำสมาธิของเราไปพุทโธพุทโธดูลมหายใจไปจนกว่ามันจะไม่หายใจ่ามันหยุดหายใจก็ ก็แยกกันไปเราก็ไปของเราเร่างกายก็ไปของเขาแต่จะไม่มีความทุกข์ถ้าเราฝึกการนั่งสมาธิเป็นประจำพอถึงเวลาเราก็ทำสมาธิของเราไปใช้ปัญญาสอนใจว่าอยาไปอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่จากเราเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายไม่เที่ยง ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันมันสอนไว้เรื่อยเตือนใจไว้เรื่อยจะได้ไม่ลืมเพราะถ้าไม่สอนเดี๋ยวมันอยากความอยากจะเกิดอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าสอนว่ามันมันไม่เทีย่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกหรือว่าอะไรจะจากเราไปก็อย่าไปอยากให้เขาไม่จากแฟนจากจะจากไปก็ให้เขาไปลูกสาลูกจะไปก็ให้เขาไปเงินทองจะหายจะหมดก็ปล่อยให้มันหมดไปเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบได้ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิบ่อย เมื่อกี้ฝนจะตกยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็แพ้เราเองถ้าเราอยากให้มันหยุด้ยเราจะวุ่นวายเราจะกวนกวายกระสับกระสายเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเราไม่ไปสนใจมันม<ะ>เราชนะด้วยการอยู่เฉยๆ<ะ>ก็เรียกว่าเอาความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวเห็นมเมื่อกี้ฝนมันเคลื่อนไหว ถ้าเราไปอยากให้มันหยุดเนี่ยเราจะทุกข์เพราะเราไปสั่งมันไม่ได้แต่ถ้าเรามาสงบใจเราเอาความสงบนิ่งอยู่เฉ ย, เ, ฉยเดี๋ยวมันก็หยุดเองนะไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใครจะเป็นอะไรใครจะทำอะไระเฉยๆไปเดี๋ยวเขาก็หยุดเองใครเขาจะด่าใครเขาจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเอง ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เทีย่ยงใครจะทุบจะตีก็ฝ่ายก็ทุบตีไปร่างกายมันก็ไม่เทีย่ยงเดี๋ยวมันก็ตายตายก็ยใจเรานิ่งสงบเหมือนนั่งสมาธิอยู่ในสมาธิเฉยๆไม่เดือดร้อนถ้ามีสติ ส, ส, ตสมาธิแรงๆนี่จะเฉยได้กับความเจ็บปวดต่างๆกับอะไรต่างๆของร่างกายนี่แหละคือวิธี ที่เราจะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นรนเหมือนที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ดิ้นหาเงินกันแล้วก็ดิ้นไปใช้เงินกันแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปดิ้นหาใหม่ดิ้นกันไปอยู่เรื่อยๆเวลาไม่พอไม่มีเงินใช้ไม่พอใช้ก็เสียใจเวลาของที่เราซื้อมาจากเราไปหายไปก็เสียใจอย่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเราจะไม่มีอะไรให้เราเสียใจ ถ้ามีแล้วมันจะมีให้เราต้องเสียใจมีแฟนเดี๋ยวก็ต้องเสียใจกับแฟนมีลูกก็ต้องเสียใจกับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรต่างๆก็ต้องเสียใจเดี๋ยวมันจะต้องมีการจากกันนั่นเองงั้นมามาฝึกทำใจให้สงบกันแล้วก็เราจะเฉยกับการสูญเสียได้ยางไม่รู้เสกเดือดร้อนอะไรเสียทรัพย์ เสียอวัยวะเสียชีวิตไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีความสงบเขอให้เรารักษาความสงบดีกว่าไปเสียความสงบเพื่อไปรักษาทรัพย์ปัจจัยวุ่นวายกับการรักษาทรัพย์นี่แปลว่าขาดทุนนะอาจจะรักษาได้แต่ใจไม่มีทางสุขใจจะเครียดกับการคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองให้มันไปดีกว่าให้มันหมดดีกว่า ถ้ามันจะหมดปล่อยมันหมดไปเราอย่าไปวุ่นวายกับมันเราเฉยทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจที่สงบแล้วไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขมีความสุขในตัวเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราตอนนี้สิ่งที่เราขาดกันก็คือเวลาที่เราจะมาทาความสงบกัน วเราเอาเวลาไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรากันมากเกินไปหาความสุขจากการเลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้วหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายก็พอแล้วนอกจากนั้นอย่าไปหาเลยเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็หมดไปเที่ยวปั๊บกลับมาก็หมดแล้วซื้อของกลับมาบ้านเดียวๆก็หายความดีใจจากได้การซื้อของก็หมดแล้ว เดี๋ยวก็ต้องออกไปซื้อใหม่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปข้างนอกเห็นของใหม่ก็อยากจะซื้อใหม่ซื้อเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไม่มีวันอิ่มวันพอ mm hmm. แต่ความสงบนี่แหละจะให้ความอิ่มความพอจะ mm hmm. ทําให้เราไม่ต้องการอะไร mm hmm. อยู่เฉยๆได้ mm hmm. แก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าจะมันจะ รักษาไม่ได้มันจะเ ป, เป็นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเป็นด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญกันคือความคือการทำใจให้สงบ ถ้าต้องเลือกระหว่างรักษาความสงบกับรักษาทรัพย์ก็สละทรัพย์ดีกว่าถ้าต้องรักถ้าต้องเลือกระหว่างความสงบกับการรักษาวิญญวะก็ยอมเสียวัยญาไปถ้าต้องเลือกระหว่างความสงบกับชีวิตก็เอาความสงบดีกว่าความสงบไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสงบอยู่ที่ใจใจไม่มีวันตายถ้ามีความสงบแล้วก็จะสงบไปนิสัยลัน อย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวก mm. มีความสุขมีความสงบตลอดเวลาปรามังสุขขังตลอดเวลาเพราะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะไปก็ปล่อยเขาไปไม่มีความอยากให้เขาอยู่อะไรจะอยู่ก็ไม่มีความอยากให้เขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปอยู่กับมันไปถ้ายังอยู่ถ้ามันจะไปก็ปล่อยให้มันไป เช่นถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปอยากให้มันตายอยากให้มันตายก็ทุกข์อีกมันจะเจ็บมันจะอยู่ก็ไปมันเจ็บไปอยู่ไปเดี๋ยวมันก็หมดหมดแรงมันก็ตายไปเองอนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาไปปฏิบัติทำทานเสียสละ เราอย่าเอาอาศัยสิ่งต่างๆที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีไม่ต้องอาศัยมันมาให้ความสุขกับเราเก็บไว้สําหรับซื้อปัจจัยสี่ถ้าถ้ามีเหลือมากเกินไปก็เอาไปแบ่งปันให้คนอื่นไปให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้สามีให้ภรรยาให้ปู่ย่าตายายให้ญาติสนิทมิตรสหายให้คนยากคนจนให้พระสงฆ์องค์เจ้าให้วัดให้วาให้โรงพยาบาล ให้ใครก็ได้ขอให้เราอย่าไปมีอะไรมากมีเท่าที่จำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหลวงบอกให้มีเศรษฐกิจพอเพียงมีพออยู่ได้ก็พอความสุขจากเงินทองเข้าของมันไม่สุขแท้มันสุขปลอมมันสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลามันหมดสู้มาหาความสุขแท้ดีกว่าเอาเวลามาหาความสุขแท้ อยาเอาเวลาไปหาความสุขปลามมานั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วจะได้ความสุขแท้ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วต่อไปเราก็จะนั่งได้ตลอดเวลา<ม>อยากจะอยากจะนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งได้<ม>ว่างเมื่อไหร่ก็นั่งมันสบายมีความสุขดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงดูแล้วเดี๋ยวก็เบื่อหรือถ้าดูแล้วมีเรื่องใหม่ก็อยากจะดูใหม่ ก็ต้องไปหามาดูดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วตั้งวันก็จะดูไม่ได้ร่างกายต่อไปแก่เจ็บก็จะดูอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้แต่จงแต่ใจนี้ทาใจให้สงบได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ขอให้ท่านเจงเอาไปพิพจารณาและเอาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขและความดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปก็ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวาเรวาหาปุราปะริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตินังเปตานาังอุปกะรปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหระโสยธามณิโชติหระโสยธาสพีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวา อาพิวาทานัสสีลิสานิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนันโอสุขังภาณังอันนี้มีมีคนมาอยู่กี่คนนะห้าเหรออยู่นานไหมเดือนหนึ่ง อย่างนี้เรื่ อ, อยๆอยู่เรื่อยๆสองคนยังไงทุก huh. อย่างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยดีมัหมแล้วบริเวณรอบๆ uh huh. มีความสงบมั้ยหรือ uh huh. ว, ว่ามีเสียงดังมั้ย uh huh. กับ อ, อ่อแก็ปปจะเป็นรๆจะเป็นต่ว่าข้างในจะเป็น า, <อ> า, านของเราเอา่เอ็กอย่อยู่เฉยๆนะเดินจงกรมนั่งสมาธิกันดูแลสถานที่ทาความสะอาด <S <S เก็บกวาดให้เรียบร้อย นักปฏิบัตินี้ต้องสวยงามทางความเรียบร้อยไม่สวยงามด้วยความรูหราแต่ต้องเรียบร้อยสะอาดสะอาดสะอาดข้างนอกสะอาดข้างในข้างในก็สะอาดปราศจากความโลภ ก, กดหลงความวุ่นวายใจต่างๆความอยากต่างๆความทุกข์ต่างๆกําจัดมันคอยปัดกว่าคอยเก็บคอยกว่า ด้วยสติด้วยปัญญาข้างนอกก็เก็บด้วยไม้กวาดเก็บด้วยไม้ถูบ้านคอยเก็บป่าดูแลให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้รกลุงหลังแสดงว่าจิตใจรกลุงหลังทาข้างนอกรกลุงหลังแสดงว่าจิตใจรกลุงหลังไม่มีระเบียบไม่มีความสงบถ้าจิตใจสงบแล้วจะอยากจะให้ทุกอย่างเรียบร้อยเห็นอะไรเกะ ก, กะก็จะเก็บจะกวาดจะถูจะเช็ด ทำอะไรทำด้วยสติด้วยปัญญาจะจะเรียบร้อยจะสวยงามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นมีของมีค่าเลยแต่มันสวยงามด้วยความสะอาดเรียบร้อยมีของมีค่าแต่ถ้าทิ้งมันละเกลละกะมันก็เหมือนกองขยะดูแล้วก็ไม่นา่าไม่น่าดูแต่เป็นของที่แม้จะไม่มีคุณค่าราคาแต่ถ้าเราเอามาเก็บเอามา จัดให้มันเป็นระเบียบมันดูมันก็สวยงามดูแล้วเจริญหูเจริญตานั่นแ่ะคือธรรมะงั้นเราสามารถปฏิบัติทําได้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกข้างนอกก็ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยข้างในก็คอยกําจัดความโลภความอยากความหลงความวุ่นวายใจต่างๆโดยการเจริญสติพุทโธพุทโธไป แล้วเราจะมีความสุขอันนี้มีทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊ก280คนครับทางยูทูบ90คนครับแล้วก็ทางไลน์มีสมาชิกอยู่ที่ 2,300 คนครับ 2,300 ใครมีไลาก็สมัครเป็นสมาชิกได้ก็มีมีคนดูไลน์ไปด้วยนะถึอคนอกินนะครับไลน์ไปด้วย ไลน์ก็ส่งข้อความหรือต้องส่งข้อความทางเฟซบุ o กเนี่ยส่งข้อความทางไลน์เข้ามาได้ได้ถ้าถ้าเป็นช่วงนี้เราก็เปิดเครื่องรับอยู่อออเใครมีคําถามก็เชิญถามได้นะจะอ่านคําถามก่อนก็ได้ตอนนี้ทางถามทางไลน์มีเข้ามาว่าอยากเรียนถามพระอาจารย์เรื่องเรียนการมีจินไหมคนทํากรรมไว้เราจะได้เห็นไหมคะคือผลของกรรมนี่มันมีสองรูปแบบ สรูปแบบผลแรกก็คือความรู้สึกในใจเราเวลาเราทํากรรมดีใจเราจะมีความสุขเวลาเราทํากรรมไม่ดีทําบาปใจเราจะทุกข์อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีผลที่สองก็คือบุคคลที่เราไปทํากับเขานี่เขาก็จะมาจองเวรจองกรรมกับเราอันนี้บางทีเขาก็มาบางทีเขาก็ไม่มา แล้วแต่ไม่แน่คนบางคนเขาอาจจะเป็นคนไม่ชอบจองวินจองกรรมทมแล้วเขาก็ไม่สนใจแต่บางคนนี่ไปทำแล้วเขาก็าคาดกยายบาศถ้าเขาทำอะไรเราไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าถ้าไปเจอกันอีกเขาจะพยายามทำเราใหม่เขาจำเราได้เขาไม่ได้จำที่หน้าตาเขาจำที่กิริยาการการพูดของเราเสียงของเรานี่ไม่เปลี่ยน สังเกตดูคนเนี่ยคนนี้เรารู้จักถ้าไม่เจอกันยี่สิบปีเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปแต่พอก็พูดนี้จำได้แล้วเสียงของคนนี้วิธีพูดของเขาเสียงของเขานี่มันไม่เปลี่ยนเห็นเวลาเราเจอใครเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าเราชอบเขาหรือเราไม่ชอบเขาเพราะในอดีตเราเคยเคยชอบหรือไม่ชอบเขามาก่อนแต่ถ้าเราเจอแล้วเฉยๆก็แสดงว่าไม่เคยเจอกันมาก่อน ไม่มีอาการรู้สึกชอบด้วยเกลียดเนี่ยก็แสดงว่าไม่เคยมีความรู้จักมากคุ้นมาก่อนแต่ถ้าเจอใครแล้วชอบเนี่ยแสดงว่าเคยชอบกันมาก่อนถ้าเจอใครแล้วเกลียดเนี่ยแสดงว่าเคยเกลียดกันมาก่อนนี่ก็เป็นเวรกรรมอย่างนี้ต่มายถึงเราถึงว่าทาไมคนนี้มันมาวุ่นวายกับเราเลอเกินก็คู่กรรมคู่กรรมทำไมคนนี้เขาดีกับเราเลอเกินก็คู่รักคู่บุญ เคยร่วมบุญเคยช่วยเหลือกันเคยดูแลกันมาก่อนเห็นแล้วก็อยากจะช่วยกันดูแลกันนี่แหละคือเวรกรรมแล้วพอตายไปนี่ก็ต้องไปรับผลกรรมอีกาตายไปถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบาปก็จะต้องดึงให้เราไปเกิดในอบายในในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไปเป็นเดรัจฉานถ้าทาบาปด้วยความหลงไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภ ไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวไปตกนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่คืออบายสี่เป็นผลจากความรักชังกลัวหลงเวลาเราทำบาปเพราะเรากลัวนี่เราก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าเราทำบาปเพราะอาฆาตพยาบาทนี่เราก็จะไปนรกนเวลาเราอาฆาตพยาบาทการนิจราร้อนนั่นแหละ ความร้อนของอาฆาตพยาลสบาทมันทำาในยวันนรกถ้าทำด้วยความโลภนิจใจก็จะหิวตลอดเวลาอยากได้ตลอดเวลาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพวกเล็กพวกเปรตกินเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มากี่ล้านก็ไม่พออยากจะได้ไปเรื่อยๆพวกนี้น่าสงสารมีเยอะแยะแตดกลับไม่อิ่มสื่พวกที่ทำบุญไม่ได้พวกที่ทาบุญนิจใจอิ่ม เป็นเทวดากันพวกที่ทำบุญไม่ไม่ทำบาปนี้ก็ตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพชั้นต่างๆไปสวรรค์เหมือนกับไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวในโลกทิพย์หรือถ้าเหมือนกับนอนหลับเวลานอนหลับถ้าฝันดีก็แสดงว่าบุญพาฝันถ้าฝันร้ายก็บุญบาปพาฝันเป็นหนังตัวอย่างเพื่อให้เรา เวลาให้เรารู้ว่าหนังจริงเวลาตายไปจะเป็นยังไงถ้าเรานอนหลับฝันร้ายบ่อยๆนียแสดงว่าเดี๋ยวตายไปเนี่ยเราต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเรานอนหลับฝันดี<ม>บ่อยๆนียตายไปนี่เราไปสวรรค์ละเ<ม>พราะสวรรค์ก็คือความฝันอบายก็คือความฝันนี่เองแต่ฝันยาว<ม>ฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ ถึงจะตื่นขึ้นมาเวลาเราตายไปนี่ก็เหมือนนอนหลับไปแล้วพอนอนหลับไปเราก็ฝันไปถ้าเป็นบุญก็ฝันดีถ้าเป็นบาปก็ฝันร้ายแล้วมาตื่นอีกทีก็ตอนที่ได้ร่างกายถ้ายังเป็นอำนาจของบาปอยู่ก็อาจจะได้ร่างกายของเดะชะฉานเกิดเป็นเดระฉานก่อนก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าฝันดีก็ไปเป็นเทวดา ไปเทีย่ยวในโลกสวรรค์เหมือนกับฝันเนี่ยตอนหลับฝันดีนี่ก็เป็นสวรรค์ชั่วคราวละตอนที่เรานอนหลับเนี่ยแต่ถ้าเราตายไปนี่มันจะฝันยาวเลยฝันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกำลังของบุญแล้วก็ได้ร่างกายอันใหม่ก็มาตื่นตอนที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เราไม่ตายใจเราไม่เคยตายอย่างแต่ว่ามัน มันมันจะหลับแล้วแล้วตื่นขึ้นมาจะได้ร่างกายอันเก่าหรือร่างกายอันใหม่ถ้านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็เรียกว่านอนหลับฝันดีฝันร้ายไปแต่ถ้านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่ก็เรียกว่าเกิดใหม่ตายร่างกายเก่าตายไปกลับไปเข้าไปร่างกายเก่าไม่ได้ก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เท่านั้นเองแต่ใจก็เหมือนเดิม ใจก็เป็นเหมือนกับนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาดงนั้นขอให้เราเชื่อบุญเชื่อบาตเชื่อเวร เ, เ, เชื่อกรเนะีอย่าไปทําเวรทํากรรมกับใครเพราะมันจะจองเวรจองกรรมกันให้ทําบุญกันให้เมตตากันแล้วจะเจอกับคนที่เขาลักเขาชอบเราจะดูแลกันช่วยเหลือกันจะไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีศัตรูกับใครคำถามต่อไปจากคุณเดียครับ ผมทำกายานุสติในชีวิตประจำวันและพอผมนั่งสมาธิผมใช้พุทธานุสติแต่เมื่อขนาดเปลี่ยนเหมือนผมต้องเริ่มทนเริ่มทำใหม่หมดเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นครับขอมิตรตาพระอาจารย์แนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับก็ถ้าเราใช้อนุกายกัตาสติเวลานั่งก็ควรจะใช้ดูลมหายใจต่อไปจะดีกว่าเพราะถ้าไปใช้พุทโธนี่มันเป็นคนละแบบกันเพราะว่าเราค อ, อยเพ่งดูร่างกายตลอดเวลา พอนั่งเราควรจะเพ่งดูลมต่อไปพอเรามาใช้พุโทโธก็เหมือนกับว่ามาหัดใหม่เห็นมเหรั้นถ้าเราใช้การดูร่างกายระหว่างที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเช่นเดินหนอก้าวหนาว่างยางหนาก็ให้ดูไปพอมานั่งก็ให้ดูลมต่อไปครับพองหนายุบหนอไปหรือดูเฉยๆเพ่งดูเฉยๆอาจาจะจะจะจะสอดคล้องกัน ถ้าเรามาพุทโธตอนที่มานั่งมันมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวิธีแล้ว น, นอกจากว่าถ้าเราเวลาเราไม่ได้นั่งเราใช้พุทโธตลอดเวลาอย่างนี้เวลานั่งเราก็พุทโธต่อไปอย่างนี้จะจะดีกว่าเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะาดูร่างกายก็เวลานั่งก็ดูลมถ้าจะใช้พุทโธเวลาไม่ได้นั่งเวลานั่งก็พุทโธต่อไปทดลองดูอันนี้ทดลองได้ปรับได้ แล้วแต่ความถนัดอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องตายตัวสำหรับบางคนอาจจะระหว่างที่ไม่ได้นั่งก็ดูลมได้พ อ, อดูล่างกายได้พอมานั่งก็พุโทโธได้ก็มีอันนี้มันไม่มีอะไรตายตัวเห็นแล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละคนว่าดูอะไรมันจะเหมาะสมกับเราก็แล้วกันเราก็เอาอย่างนั้นข้อสาคัญก็คืออย่าให้มันคิดอะไรให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันจะรวมจะเป็นหนึ่งจะสงบได้ คำถามต่อไปจากคุณพรพิตาครับหนูมีเรื่องทุกข์ใจมากๆคือหนูคนเดียวต้องหาเลี้ยงคนในบ้านที่เขาทํางานไม่ได้ถึงสี่คนบางทีหนูเหนื่อยมากๆค่ะหนูอยากจะไปวัดหนูยังหาเวลาไม่ได้เลยหนูมีกรรมมากเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่มีหรอกความจริงหนูก็ได้ทําบุญแล้วเนี่ยเลี้ยงคนสี่คนนี่ก็ได้ทําบุญเหมือนเลี้ยงพระสี่รูปแล้วเลี้ยงพระอาหารในบ้านก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยงพระอาหารนอกบ้านในบ้านเราก็มีพระอาหารต้องสองรูป คือพ่อแม่เร า, างั้นการอยู่เลี้ยงดูคนอื่นนี่ก็เป็นการทําบุญไปในตัวแล้วที่หนูทรมานเพราะหนูอยากจะทิ้งเขาไปอยากจะไปทําบุญที่วัดแทนงนั้นทําที่บ้านนั่นแหละถ้าหนูเข้าใจว่าหนูกําลังทําบุญหนูก็จะมีความสุขหนูกําลังเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของหนูให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอยากอย่าไปอยากทําทในสิ่งที่เราไม่ยังทําไม่ได้ ให้เราทําในสิ่งที่เรากําลังทําได้ทําบุญกับบุคคลที่เราอยู่ใกล้ตัวไปก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็เวลามีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิได้ดีย๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดเนี่ยก็เนี่ยมาตอนนี้ก็ถือว่ามาถึงวันแล้วเนี่ยใช่ไหมพอเปิดขึ้นมาถ่ายทอดสดก็ถึงวัดแล้ววันมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่ใจเราถึงเมื่อเปล่า ตอนนี้ใจเรามาถึงวันแล้วเราได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้ถามตอบปัญหากันดีกว่าบางทีไปที่วัดแล้วไม่มีไม่มีพระให้เจอเสียด้ซ้ำไปไปทีก็ไปกราบพระพุทธลูกเฉยๆมีปัญหาถามพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบเราไม่ได้ดะนั้นขอให้เราเข้าใจหลักธรรมว่ามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติของเรา อยู่ที่ไหนเราทำทานก็ถือว่าเราไปถึงวัดละอยู่ที่ไหนเร า, ารักษาศีลเราก็ถือว่าเราถึงวัดละอยู่ที่ไหนเราทำใจให้สงบได้เราก็ถึงวัดละอยู่ที่ไหนเราฟังธรรมได้ก็ถือว่าถึงวัดละคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุกัญญาครับรับฟังจากคลิปก่อนๆท่านกล่าวว่าจิตคือผู้ทางานใจคือผู้รู้แล้วสติจะทาหน้าที่ตัดความคิดคาถามคือ สติคืออะไรถือเป็นจิตด้วยหรือเปล่าคะสติก็เป็นธรรมที่อยู่ในจิตไงในจิตเรามีธรรมแต่มีน้อยมีมากต่างกันธรรมที่เราควรจะมีมากๆกก็คือสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาและวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรเราก็จะสามารถทำจิตให้มีแต่ความสุขได้ทำลายสิ่งที่จะมาก่อกวนสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ คือกิเลสตัณหาได้แต่อตอนนี้เรามีมีมีธรรมน้อยมีสติสมาธิวิริยะความอุสาหะภาคเพียนปัญญานี่น้อยกว่ากิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็เลยมาก่อกวนจิตใจเราตลอดเวลาเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาพอเรามีธรรมเหล่านี้แล้วทนี้กิเลสตัณหามันก็จะถูกทำลายไปหมด กิเลสตัณหาเรียกว่าอาธรรมธรรมก็คือวิริยะสติสมาธิปัญญาอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆนี่นี่ที่ท่านบอกว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมนี้หมายถึงตัวนี้ไม่ใช่คนดีไปเอาชนะคนชั่วไม่ใช่คนชั่วก็ปล่อยก็ชั่วไปคนดีไม่ต้องไปเอาชนะเขาหรคนดีก็ดีอยู่แล้วต้องไปต้องไปเอาไปชนะคนชั่วทาไมใช่ไ ที่ท่านหมายถึงทรรมย่อมชนะอาธรรมก็คือธรรมะนี่แหละคือวิเดียสติสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่ชนะพวกอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาอาวิชาโมหะทั้งหลายนี่นี่คือข้าศึกศัตรูของพวกเราคือพวกอาธรรมนี่พวกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชาเพราะเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ความความเดือดร้อนใจให้กับพวกเรา เราจึงต้องอาศัยธรรมะที่พูะเจ้าได้ทรงค้นพบเพื่อมาทำลายมันเท่านั้นเองคำ ถ, ถามต่อไปจากทาง Facebook ครับได้จากทาง YouTube l i v e ครับกราบเรียนถามจากคุณไอซ์เบอรี่กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาที่จิตหมุดหงิดเหตุเพราะมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะให้เป็นแก้ไข ย, ยังไงดีคะหลายครั้งพ ย, พยายามภาวนาพุกโทก็อเอาไม่อยู่คะ่ะก็เปลี่ยนใจสิ เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ทําให้เราหงุดหงิดก็เราก็อย่าไปอยากเสอปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นนั้นก็ปล่อยเขาไปเราก็จะหายหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากใครหรอกไม่ได้เกิดจากการกระทําของเขาเกิดจากความอยากของเราให้เขาทําตามความอยากของเราพอเขาไม่ทําตามความอยากของเราเราก็หงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนภชนันครับ เวลาฟังเทศแล้วนั่งภาวนากำหนดรู้ลมที่ปลายจมูกแต่สักพักไม่รู้ว่าผู้เทศพูดว่าอะไรแต่ได้ยินเสียงพูดอยู่แววๆอาการคล้ายนอนหลับจึงสงสัยว่าอาการนี้คืออะไรและควรทำอย่างไรต่อไปเวลาฟังเทศควรกำหนดจิตไว้ที่ใดเพราะไม่ได้พิจารณาสิ่งที่ปูบาอาจารย์เทศเลยค่ะก็ อ, อยู่ที่ว่าเราฟังเทศเพื่ออะไรถ้าเราต้องการฟังเทศเพื่อความเข้า อ, อกเข้าใจเราก็ต้องพิจารณาคิดตาม คิดตามเหตุตามผลที่ท่านกำลังแสดงอยู่แต่ถ้าเราต้องการความสงบเราก็ไม่ต้องคิดจะฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆโดยไม่คิดก็ได้หรือจะดูลมหายใจไปก็ได้ถ้าเราจะดูลมหายใจเราก็ไปนั่งที่ไหนงเงียบๆจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีเสียงเทศมารบกวนเรางั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเรานั่งเพื่ออะไรถ้านั่งเพื่อความสงบแต่ถ้าเราไปนั่งคนเดียวแล้วดูลมแล้วมันยากเพราะเรา ไม่ไม่ยอมสงบเพราะไม่มีกำลังไม่มีสติที่จะบังคับมันดูลมแต่พอมานั่งฟังเทศแล้วกับสงบได้จากการฟังเทศเราก็ต้องอาศัยการฟังเทศเพื่อทำใจให้สงบไปก่อนพอใจสงบแล้วก็ลองปิดเสียงเทศดูแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไปเพราะมันยังต้องสงบลึกกว่านั้นอีกถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มที่นี่มันต้องใช้การเพ่งดูลมหายใจอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณปราณีครับ ลูกฝันว่าไปทำบุญไปในโรงครัวมีกับข้าวแกงแบบเยอะมีกลิ่นหอมแต่รู้ว่ากินกินไม่ได้ลูกก็สำรวจตัวเองทำบุญทุกวันมีทั้งกับข้าวขนมน้ำอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ดีพอขอคำตอบบอกลูกด้วยเจ้าค่ะก็ไม่มีคำตอบอะไรหน่ยฝันก็เรื่องของความฝันไปเราก็ทำความดีเวลาเราตื่นมา ทำบุญทำทางของเราไปเรื่อยๆความฝันนี่มันอาจจะเป็นอนิสงส์จากความผูกพันของเราก็ได้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทามันทําให้เราฝันไปก็ได้ตอนนี้คำถามหมดนะครับอาจารย์อาจารย์ก็คงขอถามหนึง ค, ครับคือบางทีเราไปฐานที่บางฐานที่ครับแต่เรามหมือนกับว่าเราเราเคยผานมาแล้วเหมือว่าเราเคยมาแล้วแต่ทั้งที่ทั้งที่มาไปครั้งแรกก็แค่เคยไปจริงๆก็ได้ ชาติก่อนก็เคยอาจจะไปมาเราไม่ได้มาเกิดชาตินี้ครั้งครั้งแรกชาตินี้เป็นชาติที่ไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วฉะนั้นการไปสถานที่นั้นที่ ท, ที่นี่อาจจะเคยไปมาแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะสถานที่มันคล้ายค้ายครับคากันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ให้รู้เท่านั้นเองรู้ว่ามารู้ว่ารู้ว่าเคยมาแล้วก็เท่านั้นเองไม่มีไม่มีคุณไม่มีโทษแต่อย่างใดไม่ต้องไปกังวล อาจจะยืนยันว่าชาติก่อนมีจริงก็ได้สําหรับความเชื่อของเราว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีจริงพอมาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเข้าใจว่าใจเราไม่มีไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราก็เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆชาติก่อนเรามีร่างกายอันเก่าเคยอาจจะมาแถวนี้มาก่อนแล้วพอชาตินี้ได้ร่างกายอันใหม่ก็มาที่นี่ก็เลยทําให้เราจําได้เหมือนกับว่าเราเคยมาแล้วเหมือนเราดูหนังเก่าๆเนี่ย บางทีดูไปแล้วไม่ได้ดูสักสี่ห้าปีเดี๋ยวกลับมาดูใหม่เอ๊ะเรื่องนี้เคยดูแล้วหนิวะใช่ไหมแต่ลืมไปว่าเคยดูแล้วมันยังฝังอยู่ในความจําเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาในอดีตมันฝังอยู่ในใจแล้วพอมีอะไรมามาสัมผัสมันก็จะดึงความจํานั้นออกมาได้บางทีเราฟังเพลงเมื่อตอนสมัยเราเด็กๆนี่พอฟังมันก็นึกถึงเหตุการณ์สมัยที่เราเป็นเด็กๆขึ้นมาได้นึกถึงแม่อกอดเราให้นมเรากิน ไปเนี่ยมันบางทีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีอะไรเนี่ยมันจะมากระตุ้นความจำเก่าๆของเราที่เราเคยเคยเคยเคยผ่านมาเพราะช่วงนั้นเราเคยได้ดมกลิ่นหรือได้เห็นภาพหรือได้ยินเสียงแบบเดียวกันมันก็เลยทำให้เรานึกถึงอดีตต่างๆได้ก็เท่า น, นั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าใจของเราเนี่ย ม, มันมันมี คำถามต่อไปจากคุณจากคุณแกงครับการเพียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการตั้งจิตอธิษฐานว่าขอพบพระนิพพานในชาตินี้แต่เหมือนกับถูกทดสอบจากอุปสรรคความทุกข์เข้ามามากกว่าปกติบางครั้งรู้สึกท้อแท้บ้างเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ต่อไปหรือต้องทำอย่างไรเจ้าคะคือการตั้งเพื่อขอขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้ ตั้งไม่ได้ขอไม่ได้เราต้องตั้งแบบขอสร้างขึ้นมาเราจะสร้างนิพพานได้แต่เราจะไปขอนิพพานนี้ไม่ได้เหมือนบ้านเนี่ยเราอยากจะได้บ้านเราก็ต้องสร้างบ้านเราก็จะได้บ้านแต่มานั่งขอให้ได้บ้านมันไม่มีหรอกบ้านมันไม่มาเพราะเราขอมันหรอกมันจะมาเพราะเราสร้างมันเราอยากจะได้นิพพานเราก็ต้องสร้างมันวิธีสร้างนิพพานพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทาทานรักษาศีนั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าเราอยากจะได้นิพพานก็ขอให้เรามามาสร้างทานศีลสมาธิปัญญากันให้ตั้งจิตอธิษฐานที่การทําทานรักษาศีลสมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองแล้วจะมีอุปสรรคกันใดเราก็ไม่ย่อท้อเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆทําไม่หยุดทําเหมือนทาเหมือนทําเหมือนเต่าอย่าไปทําเหมือนกระต่ายกระต่ายบางทีมีอารมณ์ทํำก็ทํา ออกเกียจก็ไม่ทําไปเที่ยวไปเล่นอย่างนี้ก็จะไม่สําเร็จแต่ทาแบบเตา่าทํามันทุกวันทําไปเรื่อยๆมากน้อยก็ทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปทําไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ได้เองคําถามออจากคุณนิยพันธ์ครับเราใส่บาตให้ญาติที่ตายไปแล้วเขาจะได้รับไหมคะก็อยู่ที่สถานภาพเขาว่าเขาเป็นเปรตหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็แล้วเข้ามารอ มาขอจากเราเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าเขาไปเป็นอย่างอื่นเขาก็รับไม่ได้ยังต้องเป็นเปรต เ, เพราะเปตนี่เป็นพวกหิวโหยไงหิวบุญหิวอาหารทางใจก็ต้องให้บุญเขาก็าถึงใจอิ่มแต่แต่สัตว์ชนิดอื่นเขาไม่ได้หิวบุญพวกอสูรกายก็หิวแต่มีแต่ความกลัวอ พวกเดลฉางเขาก็หากินของเขาเองได้พวกที่อยู่ในโลกก็ในนรกก็มีแต่ไฟนรกเผาใจไม่มีกระติกกระใจที่อยากจะไปกินไปอะไรอยากจะให้ความทุกข์ใจมันดับไปเท่านี้แล้วก็มีคนบอกว่าใส่บาตมีหลายแบบใส่ให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาตอนเราให้ตอนเราตายในภายภาคหน้าอันนี้ถูกต้องไหมครับไม่เถอะล่ะใส่บาตนี้ให้เราให้ใจเรา ทำทานแล้วก็ให้พระพระก็ได้อาหารส่วนเราก็ได้บุญบุญก็เป็นอาหารใจอาหารทิพที่เราสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้เราจะได้ไม่ไปเป็นเปรตตอนนี้คำถามหมดครับพระอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดเฉพาะเปรตเท่านั้นที่ได้รับเนี่ยอย่างที่เราทําบุญกันร้อยวันห้าสิบวันร้อยวนันทําบุญประจําปีให้กับผู้รุ่งรับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ ไ ม, ไม่ใช่ภูมิเปรตก็เพื่อไม่อาจจะได้รักษาทสังฆทานอุทิศบุคคลคือความจริงทำพวกนี้ก็เพื่อให้เรากรทําได้เราจะได้ไม่ไปเป็นเปรตกันเข้า <c oughs> ใจไหมเพียง <c oughs> แต่อาศัยอุบายว่าเอา่อทําให้คนร่วงรับไปแล้วแต่เหตุจริงๆแล้วคนเราเนี่ยแหละเป็นคนที่จะได้บุญมากที่สุดเพราะบุญที่เราทํานี่เราอุทิศไปได้ไม่หมดใได้ส่วนน้อยบุญที่อุทิศไปนี่เป็นบุญส่วนน้อย บุญส่วนใหญ่นี้จะเป็นจะติดอยู่กับใจของเราเนั้นที่ที่ที่ปู่ย่าตายายสอนให้เราทำก็เพื่อที่จะสอนให้เราทำบุญกันถ้าเราไม่คิดถึงคนตายเราเราก็จะไม่ทำเลยไม่ทำแล้วเราก็จะจะเป็นเปรตไปได้ต่อไปเวลาเราตายไปเพราะไม่มีบุญติดตัวไป อว่าาิภานและุทไม่ได้มันบุญคนละอย่างมันบุญคนละอย่างเพราะบุญเนี่ยมันมันยังไม่สําเน็จผลน่ยบุญจากรักษาศีลมันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยบุญจากสมาธิจิตก็ยังไม่สงบมันยังไม่เกิดผลเนี่ยไม่มีผลที่จะอุทิศแต่บุญที่เสียจากการเสียสละแบ่งปังนนี่มันเกิดผลขึ้นมาทันทีเวลาทําบุญแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเราเอาความอิ่มใจสุขใจเนี้อุทิศไป เข้าใจไหมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตามหลักที่แท้จริงแล้วการที่เราจะอุที่ให้กับคนตายนี้เขาต้องมาหาเราก็าต้อ ง, ส, งส่งสัญญาณหรืออะไรทักอย่างหนึง่งบอกว่าเขาต้องการให้เราทําบุญให้กับเขาคือเรื่องนี้มันมีความเป็นไปลความเป็นมาในสมัยพุทธกาลไงมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่รูปหนึ่งถ้านอนอยู่ในวงังแล้วคืนหนึ่งมีเสียงรกระทึกคึกโ ค, คมแต่ไม่ใช่จากคนจากอะไรแต่หา แต่หาหาที่มาของเสียงอืกคกโคมไม่ได้ตอนเช้าก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นดวงวิญญาณของลูกน้องเก่าที่เคยรับใช้ท่านมาในอดีตไม่ใช่ชาตินี้ในอดีตชาติก่อนท่านเคยเป็นพระอาษัตร์และลูกน้องคนนี้เป็นอมาตะท่านก็ให้อมาตะนี้เอาเงินไปทําบุญไปใส่บาตรถวายให้เงินให้วาดแต่ออมตะนี้ยักยอกเงินนะ เอาเงินที่พระหมหากตรให้ไปทาบุญยักยอกไปแบ่งไปใช้ส่วนตัวพอตายไปชาตินี้เขามาเป็นเปรต น, นีเขาก็อยากจะได้ความช่วยเหลือก็คิดถึงพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายเก่าก็เลยมาหาส่งเสียงกับกทึกคึ้โคงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอตอนก็ให้ทาบุญใส่บาตรอุทิศบุญให้เขาไปนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องของการทาบุญอุทิศส่วนกุศล มันต้องมีเหตุไม่ใช่แต่พวกเราก็แคีว่าอย่างไรก็จะทําแล้วก็อุทิศไปเผื่อไว้ก็แล้วกัน<ม>เราเราไม่มียาสอย่างทราบไม่รู้ว่าปู่ย่าตายายพี่น้องคนที่เรารักเขามารอหรือเปล่าหรือบางทีเวลาเรานอนหลับแล้วฝันไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือเราปลัดหรืเราไปบางทีเราคิดถึงเขาเราก็ฝันถึงเขาได้หรือบางทีเข้ามาอย่างนี้เพื่อความมั่นใจก็ทํำเผื่อไว้ก็แล้วกัน พอฝันถึงคนตายแล้วตอนเช้าก็ไปทำบุญใส่บาตรเนยเพราะเป็นวิธีสร้างบุญง่ายที่สุดสำหรับญาติโยมญาติโยมเมยังรักษาศีลไม่บริสุทธิ์นั่งสมาธิยังไม่ได้ผลก็เลยต้องใช้วิธีทำบุญง่ายที่สุดถ้าสมามติว่าเวลาไปวัดเนี่ยเราบอกว่าก็รู้ว่าแม่แก่ใช่ไหมคะแต่แม่เขาจะมาช่วยทำกข้าวแต่เราไม่รูสึกแม่น่าจะได้บุญแต่เราก็ ได้ก็ได้เขาได้มันก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยนืแต่ก็ได้ความเพียรไงเขาได้ธรรมะที่สําคัญคือวิริยะความภาคเพียรที่จะได้เอาไปใช้ต่อไปในการเจริญสติสมาธิปัญญาเอ็นท่านก็ได้ได้วิริยะได้บุญที่เกิดจากความภาคเพียรถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นของของท่านไม่ใช่เป็นเงินทองของท่าน อาจท่านก็ได้บุญส่วนนั้นได้ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นขอกรากอีกหนึ่งคำถามถ้าคือคือเนี่ยต่อจากเมื่อสองวันก่อนนะคะปร ะ, ประเด็นเรื่องเดิมนะะเรื่องเรื่อง a b o r t i o ซึ่งครั้งที่แล้วนะถามในแง่ของความถูกติดของลูกที่ว่าไม่ควรทําแท้งให้กับคุณแม่ที่มีลูกพิ ก, การแต่ว่าถ้าอีกแง่นึงอีกแง่แง่มุหนึ่งเนี่ยคืออเ อ, อ คุณแม่เป็นโรคประจําตัวบางอย่างเช่นโรคหัวใจรุนแรงโรคไตเรื้นแรงก็ต้องฟอกไปอยู่เลยนะหรว่าโรคอื่นๆแล้วคุณหมออายุการประเมินแล้วว่าเคสนี้มีความเสี่ยงสูงที่แม่จะอาการแย่ระหว่างตั้งครรภ์ขอให้ส่งช่วยทําแท้งให้อย่างอย่างนี้ดีก็บาเหมือนกันไม่ว่าเหตุผลนั่นใดช่วยชีวิตแม่ก็ยังเป็นก็เหมือนกับคําตอบเดียวกันก็เหมือนกับเรายังร่างตัวกลัวตายอยู่ยังเสียดายชีวิตเราอยู่ แต่เราไม่เสียดายชีวิตของคนอื่นมันก็เป็นการฆ่ามันสัต์เดรัจฉานมันก็ไปกินสัตว์ด้วยขัดน้อยเพื่อให้มันอยู่ได้อยู่รอดมันก็แบบเดียวกันมันก็จะไปเป็นเป็ น, ป น, ปนตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานะแม่แม่ความเสี่ยงกับโรคของคุณแม่จะจะรุนแรงก็ตามให้เตรีั้งต่งงอไปก็นั่นแหละมัเนเองชี้มาม ก, ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใครจะไปรู้ หมออาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้แล้วอาจจะไม่มีไม่มีใครตายก็ได้ลูกออกจะออกมาแล้วดีก็ได้เราไปเราไปตัดสินซะก่อนแต่มันไม่ปล่อยให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาเองนะไอ้มันดูแล้วรู้รอดไปอย่างน้อยเราจะได้ปลอดภัยจากการทํำบาปแล้วสุดท้ายปล่อยไปแล้วคุณแม่เสียชีวิตแล้วหวงตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นไรก็ก็เสี ย, สยก็เสียไปแต่เสียไปแต่ไม่ไปทํำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอภัย ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เปลี่ยนร่างกายอันใหม่เร็วขึ้นควรจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามตามธรรมชาติอย่าไปทําลายชีวิตเพื่อเพื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกใดอย่าไปทํามันวายไกก็ต้องตายอยู่ดีทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันเด็กที่อยู่ในท้องที่ยังไม่เกิดเกิดมาก็ต้องตายแต่ปล่อยก็ตายโดยธรรมชาติของเขาดีกว่าเราอย่าไปทําให้เขาตายเพื่อ เพื่อเพื่อ ด, ดูเพื่อรักษาเราหรือถ้าเป็นหมอก็เพื่ออาชีพเราเพื่อรายได้เรามันก็เหมือนกันก็เป็นพวกเนราษฉานเหมือนกันทำลายชีวิตผู้อือน่นเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อกี้จะถามอะไรเา่ อแล้วก็ค่อยๆปอกเอไปเถือยๆเรา ม, มันเหนื่อยแล้วพอกลับไปบ้านหยู่เลยวไม่อยากทำเอ่อเพราะว่าเรายังไม่มีกําลังเนี่ยสมาธิเรายังน้อยมากจึงไม่ยังไม่กลัวจะเจริญปัญญาต้องฝึกสมาธิให้มากก่อนนั่งเฉย ๆ, ยๆให้นั่งนานๆให้มันนิ่งนานๆให้เข้าสมาธิได้บ่อยๆให้ชํานาญก่อนแล้วค่อยไปคิดทางปัญญาคิดได้เท่าไหร่ก็คิดเท่านั้นอย่าไปฝืนมันถ้าไม่ไหวก็หยุดมันแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิต่อ ตอนนี้เรายังกําลังไม่พอที่จะไปทางปัญญาต้องฝึกสมาธิให้มากมาดูลมหายใจอะค่ะคือนูนเนี้ยแบบหายใจเข้าหายใจออกเนี้ยค่ะพี่อาจารย์ที่จาบอกว่าให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวหนูทำได้เป็นคือแบบตอนที่หนูนั่งหนูก็หายใจเข้าหายใจออกตรงเนี้ยค่ะก็ได้ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็แล้วแต่อย่าตามนมเข้าไปเหมือน จากปลายจมูกเข้าไปหน้าอกแล้วออกมาไม่ต้องไปตามเหมืนให้รู้ว่ามันเข้ามันออกก็ได้อยู่ตรงให้รู้เฉยๆว่ามันเข้ามันออกอก็แล้วกันไม่ต้องอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ถ้าดูไม่ได้ค่อยดูยให้ให้ดูภาพรวมว่ามันหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็ได้อ่าอย่าไปคิดอะไรทำจิตมันจะค่อยๆรวมจะค่อยๆสงบลงไป Jeez. มีคําถามเข้ามาใหม่ไหม นี่ครับก็มาต่อได้อีกสองสามคำถามเลยครั บ, รบจากทาง youtube ครับจากคุณไอเบอรี่ถ้าเรารู้ตัวว่าจิตเรากำลังฟุ้งอยู่นอกจากภาวนาพุโทโธแล้วมีวิธีอื่นแก้ไขอีกไหมคะก็ได้หลายอย่างถ้าเราใช้เป็นคนที่มีปัญญาเราไม่กลัวความความจริงกันเขาพิจารณาอ น, นิจจังไปก็ได้มอนานุสติก็ได้ว่าปัญหาต่างๆเี้วตายก็จบ แล้วทุกอย่างก็ต้องตายไม่ว่าเขาว่าเราเ ร, เราก็ไม่ต้องไปอะไรก็ยอมตายสัอย่างมันก็จบท่างถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับขอวางขอทราบอุบายการวางจิตกับเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตครับก็มันผ่านไปแล้วก็คิดว่าเหมือนมันเป็นความฝันไปมันผ่านไปแล้วเราก็อย่าเอากลับมาให้พยายามดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปสนใจมัน คำถามต่อไปจากคุณต้มตุ้ยครับการนึกถึงการทําบุญที่ทํามาซ้ําๆจะรู้สึกอิ่มเอ็ใจทุกครั้งโยมเข้าใจว่าบุญยังเท่าเดิมแต่ความอิ่มใจที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่นึกถึงใช่ผลของบุญด้วยไหมคะถ้ามันอิ่มก็ใช่เนี่ยคำ ถ, ถามสุดท้ายนะครับผลจะมาแล้วคํบาบถามสุดท้ายจากคุณธรรมมคครับขอเรียนสอบถามค่ะโยมฝึกปฏิบัติแบบปัญญาอบรมสมาธิมา จิตมีความเข้าใจและสงบระงับมาเป็นลำดับงานในปัจจุบันคือการจดจ่อจิตผู้รู้เพื่อให้เห็นต่างจากความรู้สึกที่มากระทบทางอายตนะต่างๆก็สามารถเห็นได้ต่างมากขึ้นเรื่อยๆจึงพยายามฝึกพิเศกออกมาปฏิบัติให้ได้ต่อเนื่องทุกขณะจิตแต่เมื่อคิดพิจารณาทั้งวันทั้งคืนแล้วกลับมีความรู้สึกเหมือนมันหมดแรงอย่างนี้โยมต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็หยุดคิดไงต้องหยุดพิจารณาต้องผัดเข้าสมาธิสลับกัน เหมือนทำงานเสร็จเหนื่อยก็กลับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนกินอาหารพอตื่นขึ้นมามีกำลังก็ออกไปทางานต่อพิจารณาแล้วเหนื่อยก็หยุดต้องเพ่งจิตให้ให้นิ่งอย่าคิดอะไรหยุดความคิดให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ให้สงบแล้วพอออกมาจากสมาธิก็จะมีกำลังที่จะไปพิจารณาต่อคิดต่อเอแล้วนะคิดผนฟ้าอา จ, จะมารอบสองรู้สึกมันตั้งเ้าอีกแล้ว